สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนง่ายมากง่ายกว่าที่ทุกๆคนสอนทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ถูกทําให้มากทําให้บ่อยๆทําให้ถูกทําให้มากทําให้บ่อยๆท่องให้ขึ้นใจทําให้ถูกทําให้มากทําให้บ่อยๆ แม้ว่าจะมาเวียนไหวตายเกิดมันก็จะมาดีภพภูมิของเราก็จะเ อ, อื้อต่อการที่จะเจอกับพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่สุดนี่คำหนึ่งที่เขาจะชอบพูดกันคืออมะตะ <c oughs> ว่าชีวิตของเรานี่มีวินการเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตาย ก้าวหาพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้พบกับชีวิตที่เป็นอมะตะอมะตะคือคื อ, คอไม่ตายนะมาตะแปลว่าตายอมะตะแปลว่าไม่ตายถามว่ามันมีไหมก็มีสิเพราะเมื่อมันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายแต่ว่าจะพูดได้เห็นภาพนี่มันยากเลย มันเป็นภาวะธรรมมันเป็นสภาพของธรรมอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติเมื่อถึงสภาพนั้นแล้วเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่จะกระชากลากเราให้ไปเกิดไม่มีมันก็เลยไม่เกิดก็ืออมตะนั่นแหละไอ้นั่นผลที่สุดของมันแต่ถามว่าณขณะนี้ เราจะทำยังไงเพื่อเมื่อเราลึกถึงพระพเจ้าแล้วเชื่อพระพเจ้าแล้วเราจะปฏิบัติเพื่อให้ให้ได้อะไรก่อนสิ่งที่เราควรจะได้ก็คือปสัสสะเรียกว่าการเห็นเห็นหลายชั้นอยู่นะเห็นแบบคิดเห็น เห็นได้ด้วยการคิดเห็นได้ด้วยการดูเห็นได้ด้วยการมองหลายแบบอยู่แต่การเห็นที่มันควรจะเกิดขึ้นจริงของเรานะเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดวิชาของพระพุทธเจ้าเคล็ดวิชาของพระพุทธเจ้าหมายความว่าบันเตยเยวังสักังจิตตังสติยารามาเดดันหังแปลว่า ภูกใจของตนไว้กับอารมณ์อันหนึ่งให้มั่นด้วยสติตั้งใจฟังให้ดีนะนี่เราพูดกันในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติเป็นเคล็ดวิชาของพี่เจ้าบันเตยเยวังสกังจิตตังสติยารามาเดดันหังผูกจิตของตนด้วยอารมณ์อันหนึ่งให้มั่นด้วยสติ เมื่อผูกจิตของตนให้มั่นด้วยอารมณ์ด้วยด้วยอารมณ์ด้วยสติในอารมณ์ด้วยสติให้มั่นแล้วเนี่ยมันเกิดความคิดเคลื่อนออกไปมันก็จะเกิดการเห็นขึ้นมาเห็นตรงนี้แหละเป็นเห็นที่จะต้องภาวนาให้มันแข็งแรงเพราะอะไร เพราะเห็นตัวนี้จะมีอำนาจจะทำให้เกิดระยะจะทำให้เกิดการพิจารณาใคร่ครวญในปัจจุบันนี้เราจะพิจารณาใคร่ครวญเฉพาะในส่วนที่เกิดกับผู้อื่นเมื่อมันมาเกิดขึ้นที่เราความพิจารณาใคร่ครวญของเราจะน้อยน้อยมากแม้นว่าจะได้เกิดพิจารณาใคร่ครวญก็พิจารณาใคร่ครวญไปตามอารมณ์ไม่ใช่ความเป็นกลางแต่เห็นตัวนี้ ที่เกิดขึ้นจากการผูกจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติแล้วเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวของจิตมันจะเกิดการเห็นความเคลื่อนไหวเห็นสภาพธรรมที่เกิดที่ปรากฏเห็นตัวนี้ถ้าเราผูกจิตได้มั่นด้วยอารมณ์ด้วยในอารมณ์ด้วยสติให้มั่นต่อเนื่องบ่อยๆแล้วเห็นตัวนี้จะเกิดแข็งแรงขึ้นอารยะที่จะมาพูดบ่อยๆว่าระยะห่างระหว่างการกระทบ และทำให้เกิดการใคร่ครวญได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากเห็นตัวเนี้ยเห็นตัวนี้จะไม่มีโอกาสได้สาหรับคนที่นั่งภาวนาแล้วหวังอบุญกุศลหวังสะดอกเคราะห์หวังต่อโชคตาตาหวังอายุหวังให้ครอบครัวแข็งแรงหวังให้หายทุกข์หายโศกหายโรค ห, า ย, รคห า, ยายภัย เห็นตัวนี้จะไม่ได้เห็นตัวนี้จะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเมื่อเราผูกอารมณ์ให้มั่นอย่างต่อเนื่องด้วยสติอย่างนี้แล้วสังเกตนิจิตควาวคอยดูสังเกตการเคลื่อนไหวของสภาวะอย่างเช่นว่าเราอยู่กับลมหายใจ เมื่อเรารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าลมหายใจจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตจิตจะเกาะ อ, อยู่กับลมหายใจจิตผูกอารมณ์หายใจเป็นอารมณ์ของจิตผูกกันอยู่ให้มั่นด้วยการรู้เรียกว่าผูกให้มั่นด้วยสติอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆในขณะที่จิตผูกอยู่กับลมหายใจอย่างนั้นเกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดด้วยอานาจของนิวรหรือด้วยอานาจของสัญญาอะไรก็ตามเป็นความคิดผุดขึ้นจิตเกิดการเห็นความคิดนั้น เขายังอยู่กับลมหายใจแต่ลมหายใจจิตจะรู้ลมหายใจแรงแงและลมหายใจที่ถูกรู้นั้นจะอ่อนอ่อนเบาๆและจิตก็ไปรู้ความคิดไปเห็นความคิดที่เกิดเคลื่อนเกิดขึ้นพอไปเห็นครั้งแรกเนี่ยนี่เรียกว่าปัสสะแต่เมื่อไปเห็นแล้วจิตไปอยู่กับความคิดแล้วก็ไปปรุงแต่งแช่ต่อชุ่มอยู่กับความคิดนั้นมันจะไม่เป็นการเห็นแล้วมันเป็นการปรุงแต่จิตแรก สิ่งแรกทําแรกที่เกิดขึ้นจากการที่จิตผูกอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจอยู่นี่แหละแล้วมันมีความคิดเกิดขึ้นพอมีความคิดเกิดขึ้นจิตเห็นความคิดนั้นระยะจิตแรกเลยที่เห็นนั่นแหะเรียกว่าปัสสะเห็นแล้วไม่ชุม่มไม่แช่ไม่ปรุงแต่งกับความคิดนั้นเห็นนั้นแหละความคิดที่เกิดมันก็มีความจริงแค่ว่ามันเกิดขึ้นไม่มีอย่างอื่นพอเห็นแล้วก็ดูไปเรื่อยเรื่อยมันดับไป ก็รู้ว่ามันดับไปแล้วจิตก็กลับมารู้ลมหายใจอีกเห็นนั้นหายไปไหมก็ยังอยู่แต่ว่ายังอยู่แบบสะสมแล้วก็รู้ลมหายใจอีกแล้วมันเกิดขึ้นอีกจิตก็ไปเห็นอีกเห็นก็เห็นก็ตามความเป็นจริงอีกมันเกิดขึ้นก็แค่เกิดขึ้นพอมันดับไปก็รู้ว่ามันดับไป เห็นว่ามันดับไปเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนั้นจริงๆก็กลับมารู้ลมหายใจท่านเคล็ดวิชาของพระเจ้าหลักจริงๆก็คือว่าผูกจิตไว้ยอยู่ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติอย่างต่อเ น, นื่องแล้วจิตของตนเนี่ยชื่อว่าบันเทยเย ว, วังสกังจิตตังท่านเปรียบว่ายทาทัมเพนิบันเทยะ วัช่างดมังนโรอิทะหมายว่ า, าเหมือนคนต้องการที่จะฝึกลูกโคเนี่ยจำเป็นดิ่งยิ่งที่จะต้องผูกลูกโคตัว น, นั้นไว้กับหลักไว้กับเสามันจะเคลื่อนไปยังไงก็ให้ใหมันอยู่ที่เสาไว้แล้วมันจะเชื่องเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำให้ถูกทำให้บ่อยทำให้มาก นี่เป็นเคตวิชาถ้าทำไม่ถูกแม้ทำบ่อยทำมากก็ไม่ได้ทำถูกแล้วแต่ทำไม่บ่อยก็ไม่ได้ทำถูกแล้วทำบ่อยแล้วแต่มันไม่มากคาว่ามากกับบ่อยไม่เหมือนกันทำบ่อยก็หมายความว่าเดียเด๋ยวทาเดี๋ยวทาเดี๋ยวทาคำว่ามากแต่ละครั้งที่ทำนั้นนานนานทำไม่ถูถกทำไม่บ่อยทำไม่มาก นี่นีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านสอนเนี่ยท่านสอนง่ายถึงบอกไงอย่างที่โยมฟังเนี่ยเข้าใจไหมฮะง่ายใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมในเรื่องของการฟังเออในเรื่องของการฟังมันไม่ยากอ่ะง่ายมากนี่ทำให้ถูกทำให้ง่ายทำไม่บ่อยในเรื่องของการผูกใจไว้ในอารมณ์ให้มั่นด้วยสตินี้ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไม่ให้เอาอยัางอื่นฟังให้ดีนะให้ออกกายกับใจเท่านั้นเรียกว่ารูปและนามนี้ผูกไว้ตรงไหนให้กับรูปและนามนี้ให้มั่นไว้ที่นี่ในการผูกกับรูปและนามรูปนี้ท่านเรียกว่ากายนามนี่เรียกว่าใจ กายและใจส่วนกายเนี่ยท่านตรัสไว้หลายอย่างกายในกายว่ากายกายใหญ่คือกายนี้รายละเอียดชิ้นเล็กชิ้นน้อยของกายนี้ก็ด้วยเรียกว่ากายในกายท่านให้เริ่มต้นที่ลมหายใจคืออาณาปานาสติลมหายใจสําคัญยังไงเนี่ยเพราะลมหายใจเป็นตัวที่ประสานคําว่าชีวิตให้อยู่ ลมหายใจเป็นตัวที่ประสานชีวิตให้อยู่หมายความว่ากายกับใจนี้ถูกประสานกันด้วยลมหายใจดั้การรู้ลมหายใจทําให้มากจะเป็นสติปัฏฐานสี่ทำสติปัฏฐานสี่ให้มากก็จะเป็นพพชฌงทำโพชฌงให้มากก็จะเป็นมากเป็นผล การรู้ลมหายใจสามารถปิดอบายได้เดินมัดผลได้ตลอดจนถึงนิพพานเพราะลมหายใจนี่เป็นตัวสมานชีวิตนะง่ายๆเรงหายใจเข้าหยุดเลยอย่าไปหายใจออกแป๊บเดียวขาดไหมขาดหายใจออกหยุดอย่าหายใจเข้าขาด งั้นลมหายใจเป็นตัวสมานชีวิตสมานกายกับใจให้คงอยู่เป็นชีวิตได้ท่า น, นเราจะไปรู้ลมหายใจหรือไม่รู้ลมหายใจก็ช่างแต่ลมหายใจมันก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกของมันตามธรรมชาติอย่างนั้นเพราะเขาเป็นตัวสมานชีวิตก็ทํางานเป็นอัตโดมอตมติกอยู่แล้วมันพระเจ้าก็เลยให้เรารู้เรื่องลมหายใจในขณะที่รู้ลมหายใจไปรู้อย่างอื่นได้ไหม ได้เหมือนกันให้เป็นกายอ่าทีนี้ทีนี้คาว่ากายยคตาสติตั้งสติระลึกทั่วไปในกายลมหายใจเป็นหนึ่งในกายแล้วนะระลึกไปที่อื่นอีกที่กายนี้ได้ไหมได้ได้หมดอะแต่ให้ลมหายใจเป็นหลักไว้ในขณะที่รู้ลมหายใจแล้วก็จิตก็ไปรู้ที่ยุรยาบทก็ได้ กายนี้ที่แยกออกมาเป็นาธาตุนี่พูดไปก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การปฏิบัติกันม่วงไหม ม, <laughs> มีคนตอบไม่ม่วงอยู่คนเดียว <laughs> <laughs> ในขณะ <laughs> ในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่แล้วเราสามารถรู้ตัวอื่นได้อีกไหมได้หมดรู้ส่วนที่เป็นกาย อ่ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าสติยารรมะเดดนหนังผูกไว้กับหลักคือเอาลมหายใจเป็นหลักแล้วก็ผูกไว้ส่วนว่าจะไปรู้อย่างอื่นก็รู้ได้แต่ต้องรู้ส่วนที่เป็นกายและเป็นใจเอาดูส่วนที่เป็นกายกายยกตาสติเนี่ยรู้ผมเอาเป็นชุดชุดชุดละห้าชุดละห้าน่นผมขนเล็บควัญหนัง ในขณะที่รู้ลงมาใจก็ไปรู้ผมของตัวเองไปรู้ขนของตัวเองไปรู้เล็บของตัวเองไปรู้ฟันของตัวเองไปรู้หนังของตัวเองและผมขนเล็บฟันหนังห้าอย่างนี้มันเหมือนกันหมดทั้งข้างนอกข้างในหมายความว่า ผมของเราเป็นอย่างไรผมของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ว่าผมของเราเกิดในน้ำเลือดน้ำเหลืองผมของคนอื่นเกิดในกองเงินกองทอ ง, ท, องที่ไหนเนาะผมของเราชุ่มแช่อยู่ในน้ำเลือดน้ำเหลืองปุโปโลโกิตเกลือกล้วกับสิ่งสกปรกโศกโรคปฏิกูลผมของคนอื่นก็เกลือกล้วอยู่กับสิ่งสกปรกโศกโรคปฏิกูลเหมือนกัน เสรจแล้วก็ไปเกาะดูลมหายใจการให้จิตพักอยู่กับลมหายใจแล้วสามารถที่จะไปรู้กายอื่นๆในกายนี้ได้ตามความเป็นจริงจะรู้ต้องรู้ตามความเป็นจริงเลยนะถ้าไม่ใช่ความเป็นจริงมันจะไม่ได้ปัญญา แต่พระพุทธเจ้าสอนทีครังว่าอัตตะันโตสีคังอัตตมีติประชานาติระยะแรกที่รู้ลมหายใจเนี่ยท่านว่าลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวก็รู้ว่าเราหายใจยาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวรัตซังว่าอัสตันโตรัตซังอัตามีติประชานาติหายใจ ออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นดูแล้วมันยากตรงไหนไหมไม่ยากมีคนเอาไปเขียนเป็นหนังสือไม่รู้ส ก, กี่เล่มความรู้ในส่วนเหตุคืออ่านฟังทำความเข้าใจได้ความรู้ความรู้ส่วนนี้ไม่มีความหมายจริงๆถ้าเรามีความรู้อย่างนี้อย่างเดียว เราก็เป็นคนคัมภีร์ปเปล่าเป็นโบคาบุรุษมันจะต้องเอาให้เป็นความรู้ส่วนที่สองเมื่อพระพุทธเจ้าว่าเมื่อลมหายใจเข้ายาวเรารู้ว่าลมหายใจเราหายใจเข้ายาวก็ลงมือปฏิบตัติลงหายใจของตัวเองเข้ายาวแล้วก็รู้อ๋อนี่คือพระเจ้าว่ารู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวเราก็รู้ลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นเราก็รู้ลมหายใจเข้าสั้น ลมหายใจออกท่านเราก็รู้ว่าลมหายใจรู้นี้เป็นรู้ในชั้นของปฏิบัติการรู้ในชั้นปฏิบัติการทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆๆมันให้ผลผลของมันจะเป็นความรู้ในส่วนผลเกิดความรู้สามอย่างครบบริบูรณ์อย่างเงี้ยั้งรู้ส่วนเหตุรู้ส่วนปฏิบัติการและรู้ส่วนผลก็เรียกว่ารู้ลมหายใจเรียกว่ารู้ลมหายใจ เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการปฏิบัติอยู่นี้แหละตามที่พระพุทธเจ้าตรนสครับมันต่อนเนื่องถูกต้องอยู่สม่ำมเสมอสม่ำมเสมอสม่ำมเสมอมันจึงจะได้เลยไม่มีอะไรยากแค่ลองให้โอกาสกับตัวของเราเองเท่านั้นนะ่ะแล้วก็เพียรพยายามปฏิบัติไปเมื่อเจ้าพูดถึงเรื่องของตัณหาการที่เรารู้ลมหายใจตัณหาก็สะเทือน ทำไมตัณหาถึงสะเทือนเพราะว่าจิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลออกจิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้านั้นมันเป็นอนิสิตะรู้นั้นมันไม่มีตัณหามาณทิฏฐิอาศัยอยู่เมื่อขณะใดก็ตามที่เราให้ตัณหามาณทิฏฐิอาศัยไม่ได้ขณะนั้นมันเกิดเป็นความเพียรที่แผดเผาแผดเผาอะไร ก็แผดเผาเครื่องหมักเครื่องดองที่มีอยู่ในใจในสันดานของเราเนี่ยให้มันเดือดร้อนมันไม่มีโอกาสเวลาเราขณะที่เรารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าถ้าเกิดใครมันมานินทาแล้วเรายังรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าอยู่ไม่เกิดผลนะแต่ถ้ามันหลุดออกจากลมหายใจเมื่อใดเมื่อนั้นเกิดแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าให้ต่อเนื่องไปแล้วเนี่ย มันสะเทือนถึงร้านถึงรากเห้ายันอวิชชาเลยนั่นการปฏิบัติเจริญอาณาปาณิติมันจึงเป็นการขยว่วเถาย่านเครือของทุกข์ลงไปจนถึงรากเห้าคืออวิชชาไม่ใช่ธรรมดาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า อัญญะมเหธยาโนไม่เบียดเบียนคือพระเจ้าพูดถึงขั้นไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนไม่กล่าวร้ายไม่เบียดเบียนเป็นอนิสิตโตอัญญะมเหธยาโนจิตที่รู้ลมหายใจเป็นจิตที่ไม่มีตัณหามาณทิฏฐิและอัญญะมเหธยาโดคือไม่เบียดเบียน กล่าวถึงขั้นไม่เบียดเบียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาคําว่าไม่เบียดเบียนคืออะไรคําว่าไม่เบียดเบียนก็หมายความว่าจิตมันเป็นกลางจิตมันไม่จิตมันเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยอกติอันใดอันหนึ่งถ้าเอ็นเอียงด้วยอกติอันใดอันหนึ่งจะเกิดการเบียดเบียนขึ้นแน่นอนแต่ตรัสถึงขนาดชัดเจนว่า ไม่มีการเบียดเบียนนั่นหมายความว่าก็เป็นกลางนะพอเป็นกลางมันเบียดเบียนอะไรไม่ได้ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีโอกาสที่จะเบียดเบียนแต่ถ้าหลุดออกจากการรู้ลมหายใจหลุดออกจากความเป็นนันสิตะมันอยู่กับการอากติมันจะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นแน่นอนมันพระเจ้า Java ไม่กระหายชัดนะมันเราพิสูจน์ได้ง่ายเลยเพระรู้ลมหายใจที่ขณะที่ไหลเข้าในระหว่างนั้นมันเบียดเบียนอะไรไม่ได้ ว่าจิตมันเป็นกลางพอรู้ลมหายใจที่ไหลออกไม่เบียดเบียนอะไรไม่ได้เลยจิตเจตนาที่จะไปเบียดเบียนอย่างอื่นไม่มีเพราะมันไม่ใช่อคติมันไม่มีอคติมันเป็นกลางมันพระเจ้าถึงกล้าตัดไม่งั้นแย่นะคําว่าอัญญามาเหธยาโนเนี่ยคือไม่มีการเบียดเบียนคําว่าไม่มีการเบียดเบียนนเรื่องใหญ่มากไม่แย่ง่าย อารย์ท่านตัสว่าปริบนิบุโตโดับสนิทนะ่าอุปปาวะเดยยังกันจิไม่กล่าวร้ายใครมันปลอดภัยปลอดโปรง่งบริสุทธิ์ผูดผองเพราะนั้นการทำให้ถูกทำบ่อยๆไอ้ทำไม่ถูกทำให้มากทำบ่อยๆจึงเป็นเคล็ดวิชานี้ เมื่อพร้อมแล้วเราก็มานั่งกันทีนี้เดี๋ยวก่อนนะเอาให้พรอนก่อนนะเดี๋ยวมันจะลืมไปเจ้พร่อนที่จะให้ก็คือว่าให้พวกเราทําให้ถูกทําให้มากทําให้บ่อยๆนี่แหละเพราะธรรมมาไม่สามารถจริงๆไม่สามารถที่จะเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะเพราะพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่สามารถเหมือนกัน แต่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะให้งงพรแล้วพวกบรรดาสัมปสั์ทั้งหลายสิ้นทุกสิ้นกิเลสนะป่านี้นะออื <c oughs> คือไม่ต้องทําอะไรมากพระเจ้าแค่ไปนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราแม่น้าคงคาก็พอเป่าพูดพูดพูดพูดพูดสองสามทีแล้วไปนั่งสบายสบายใต้ต้นโพคนไปตักน้ํานั้นไปกินไปดื่มไปกินไปดื่มไปกินไปดื่มหมดกิเลสกันหมด แต่พระเจ้าทําไม่ได้ต้องเดินต้องเดินต้องเดินข้ามเมืองข้ามประเทศข้ามรัฐข้ามวันข้ามคืนเทศยันต์แต่เช้ายันเย็นย้ำกัมยันเช้าเทศรวมบิดเสร็จแล้วก็นับได้ประมาณ8ป0 0 0ืี่พันพระธรรมขันกี่ดูมันก็ยังได้แค่นี้และต่อมาบอกว่าดิจะให้พรนา้โยมได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไหนวันนั้นให้พรว่าทําให้ถูก ทำบ่อยๆแล้วทำให้มากรับรองเราจะได้เวลาเราจะได้ได้อะไรได้สามอย่างอัตตมานะมีใจเป็นของตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนได้ที่สองอัตตทีปะมีใจเป็นเครื่องเกาะมีใจของตนเป็นเครื่องเกาะมีตนเป็นเครื่องเกาะได้อตัตัวที่สามคืออัตตาสรนา มีตนเป็นที่พึ่งตนรู้ตนเห็นว่าตนมีตนเป็นที่พึ่งอย่างนั้นแล้วมันจะแข็งแรงแต่ก็จะให้พอนภาษาบาลีบทหนึ่งในว่าโอกาสที่พวกเราสา์เตรียมดอกมองดอกไม้เตรียมน้าเตรียมเดิมมารดมือจนเย็นนะเนี่ยให้พวกเราหลับตาประดุมมือ ประคองลมหายใจสบายสบายรับพรอนนะอัติอุณหิตสวิจชายโยธรมโบโลเกอนุตตรโรสัพสตาอิตาทายะตังตะวังคนาอิเดวะเกปริวัชราชดันเดอมนุสเซหิปาวะเกพยักเคนาเกวิเซภูเตอาคาลมะระเดนววา สบัดสัมมาสรณามุตโตทัเปตวากัลมาริตังตัดเซวะอนุภาเวนะหุนตุเดวสุขีสดาสุทธะสีลังสมานดยะทธมังสุจริตังจเรตัดเสวะอนุภาเวนะหุนตุเดวสุขีสดาลิกขิตังจินติตังปูชังธารนังวัจญังกรุงปะเรสังเดสนังสุตวาตัดสหายุภาวัตตีติ สัพพบุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตอทีนี้เราก็เข้าสู่การภาวนากันแลละเป็นลูกพระพุทธเจ้าทำให้ถูกทำบ่อยๆทำให้มาก